วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย5ห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใส ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนอันเลิศอันประเสริฐเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญต่อจิตใจธรรมะวันนี้ที่จะเอามาฝาก ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือเรื่องความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนนี้เป็นความสุขแบบไหนความสุขที่ยั่งยืนนี้ไม่ใช่เป็นความสุขทางกายไม่ใช่เป็นความสุขทางราบยศ ส, สารเสนทางรูปเสียงกลิ่นรสผธภัชนิดต่ตาง เพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการจัดหามาพอร่างกายเสื่อมสภาพหรือถึงแก่ความตายความสุขเหล่านี้ก็จะหมดไปความสุขทางกายจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืน ที่เราควรจะให้ความสำคัญควรจะให้ความสำคัญที่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนนี้ก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ยั่งยืนกว่าความสุขทางร่างกายเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อและความสุข ทางใจก็จะอยู่กับใจต่อไปแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของใจให้ใจอยู่อย่างความอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆความสุขทางใจนี้ก็มีแบ่งเป็นสามสามระดับด้วยกันระดับแรกระดับที่หนึ่งเป็นระดับของเทพความสุขของเทพ คือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์หกชั้นด้วยกันสวรรค์ความสุขขั้นที่สองระดับที่สองเป็นความสุขระดับพรหมเป็นความสุขจากการได้เข้าสู่ความสงบของฌานสมาธิขั้นต่างๆและความสุขขั้นที่สามระดับที่สามคือความสุขของพระอริยเจ้า ของพระพุทธเจ้าก็คือความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่สุดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขระดับเทพระดับพรหมนี้ยังเสื่อมได้ยังหมดได้แต่พอเข้าสู่ความสุขระดับของพระนิพพานแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับจิตใจ ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือความสุขทางใจความสุขที่ยังยืนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงและได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังหลงอยู่กับการหาความสุข ทางกายอยู่ที่ยังต้องทุกข์กับการมีร่างกายอยู่ก็ทุกครั้งที่มีการเกิดก็ย่อมมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายตามมาเสมอต่อให้ได้ความสุขทางกายระดับสูงสุดเช่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นพระมหาจากาักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องจายไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่ยังหลงอยู่กับการหาความสุขทางกายอยู่ไม่ได้ตายแล้วความหลงก็ไม่ได้ตาย ไปกับร่างกายความหลงความอยากที่จะหาความสุขทางกายต่อไปก็จะนำพาใจให้มาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถกําจัดความหลงที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิ้นได้เมื่อได้พบกับพระ อ, อริยบุคคลหรือพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคําสอนก็จะได้รู้จักว่า ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยั่งยืนนั้นอยู่ที่ใจถ้าอยากจะมีความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรควรจะหันกลับเข้ามาหาความสุขทางใจงอย่าไปหาความสุขทางกายอย่าไปหาความสุขจากโลกธระททั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงจิตลดต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรจะไม่ให้ความอิ่มความพอมีแต่จะสร้างความหิวความอยาก <c oughs> ให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาความสุขแบบเดิมนี้ใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องกลับมาทุกข ก, กับการมีร่างกาย ที่ร่องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอยู่เรื่อยๆเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้มากันเป็นเวลายาวนานจำนวนน้ำตาที่ได้หลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติถ้ารวบ ร, รวมเก็บเอาไว้ก็จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนน้ำตาที่เราร้องไห้กันมาทุกครั้งที่เรามาเกิด เราจะต้องเจอกับเรื่องเศร้าโศกเสียใจต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆแล้วน้าตาก็จะหลั่งออกมาถ้าเรารวบรวมน้าตาที่เราได้หลั่งไว้ของแต่ละพพแต่ละชาติมารวมกันท่านว่ามันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอกี่ครข้างด้วยกัน ถึงจะสามารถหลั่งน้ำตาได้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราน้ำตาก็เป็นเครื่องวัดความทุกข์ของพวกเราว่าพวกเราทุกข์กันมามากน้อยขนาดไหนน่าะจะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุพทธพระธรรมหรือพ็อสงฆ์ ที่จะบอกว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความความทุกข์โดยมีความสุขเล็กเล็กน้อยๆยคอยหลอกคอยลอ่อเหมือนเกือบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็มันก็จะล่อให้ปลาที่ไม่รู้ไม่ฉลาด พอเห็นเหยื่ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารนันโนชาก็จะฮุบเข้าไปทันทีแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวที่ปากถูกคนที่เจ้าของเบ็ดลากขึ้นจากน้ำจากน้ำในลำธารเข้าสู่น้ำในกระทะน้ำในหม้อต่อไปนี่แหละคือจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดหลง กับเหยือ่อันเล็กๆ น, น้อยๆของสังสารวัตรก็คือราบยศสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเรามาติดกับราบยศสารเสริญสุขปั๊บเราก็ถูกเบ็ดของสังสารวัตรเกี่ยวไว้เก็บไว้ทันทีทําให้เราต้องกลับมาเกิด อ, อยู่เกิดอยู่แล้วอยู่แล้ว เกิดอยู่บ่อยๆเกิดอยู่เรื่อยๆจะหยุดการเกิดเหล่านี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั่งลูกความจริงของความสุขที่แท้จริงและความสุขที่ไม่แท้จริงความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดและการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้เจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่า ให้เราเปลี่ยนวิธีการหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากาลากศสสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะให้มาหาความสุขของของใจที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเริ่มต้นด้วยการหาความสุขระดับแรกก่อนเพราะระดับแรกนี้เป็นระดับที่ง่ายที่สุดแล้วค่อยขยับขึ้นไปสู่ระดับกลางระดับที่สอง แล้วก็ขยับไปสู่ระดับที่สามระดับที่สูงสุดตามลําดับต่อไปครั้งแรกก็สอนให้พวกเรามาสร้างความสุขทางใจที่เกิดจากการทําบุญทําทานเกิดจากการรักษาศีลห้าไม่ทําบาปทํากรรมเพราะถ้าเราทําแต่บุญอย่างเดียวเราไม่รักษาศีลปล่อยให้ไปทําบาปอยู่เรื่อยๆ ถ้าบาปนี้มีมากกับบุญบาปก็จะเป็นผู้แสดงผลก่อนผลของบาปก็คือความทุกข์ตา่างๆในขณะที่มีชีวิตยอยู่และเวลาตายไปใจก็จะถูกอำนาจของบาปดึงให้ไปอยู่ในอบายสี่ที่ด้วยกันคือไปอยู่ที่แดนของเดลาชานบ้าง แดนของเปรตบ้างแดนของอสุน ร, รกายบ้างแดนนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ยังกมีการกระทำบาปอยู่และทำบาปมากกว่าทำบุญดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าการทำบุญของเรานี้จะเกิดผลทันทีและ ส่งผลให้กับเราหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วนอกจากการทำบุญอย่างสม่าเสมอแล้วเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้อย่างสม่าเสมอด้วยคืออย่าทำบาปหรือถ้าทำก็ทำด้วยเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัยที่เรายังไม่สามารถสู้กับการกระทำบาปเหล่านี้ได้แต่อย่ายปล่อยให้ทาบาปตาม สบายพยายามอดกา้านอดทนหักห้ามจิตใจยอย่าไปทำบาปพยายามทำบุญอย่างสม่าเสมอเช mm hmm. ่นถ้าเป็นชาวพุทธก็ให้ใส่บาตรทุกวันทำบุญทุกวันวันละเล็กวันละน้อยบุญเหล่านี้จะสะสมเป็นบุญที่มากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะส่งผล ให้จิตใจมีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะได้ทำบุญมากกว่าได้ทำบาปบาปที่อาจจะได้ทำบ้างในบางเวลาบางครั้งก็จะมีน้อยและก็จะไม่มีอิทธิพลเพราะสู้กำลังของบุญที่ได้ทำไว้อย่างสม่าเสมอไม่ได้พยายามให้ทาบุญทุกวันทาให้มันติดเป็นนิสัย แล้วมันจะทําง่ายแล้วมันอยากจะทําคนที่ใส่บาตรทุกวันประวันเขาไม่ทันพระพระมาก่อนเขายังต้องขี่รถตามมาที่หลังตามมาที่บิณฑบาตหรือตามมาที่วัดพอเมื่อได้ทําบุญแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะติดมันจะชอบกับความสุขเวลาวันไหนไม่ได้ทําบุญเราจะรู้สึกว่าขาดอาหารอันโอชาไป พยายามทำบุญให้เป็นนิสัยทำอย่างสม่ำเสมอมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่<ม>ทำไปตามกำลังโดยที่ไม่ได้ทำให้เราถึงกับเสียหายเดือดร้อน<ม>ทำส่วนที่มีเกินมีเหลือกินเหลือใช้<ม>แทนที่ยาวเงินทองไปหาความสุขทางโลก หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่าง ๆ, ๆก็เอามาทําบุญดีกว่ามาสร้างความสุขทางใจดีกว่าล้วใจของเราก็จะมีบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบาปที่เราอาจจะทําบ้างก็อาจจะไม่มีกําลังที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดในอบายได้ขณะชีวิตอยู่ใจเราก็ไม่ค่อยทุกกับเรื่องของการกระทําบาปเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้ทําบาปหรือทําน้อยมากนั่นเองพ อ, อตายไปบุญนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่พาให้เราได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพกันนี่เราเรียกว่าบุญบุญระดับชั้นเทพก็ะจะไปอยู่ไปจนกว่าบุญที่เราทําไว้มันลดลงมาเหลือเท่ากับบาปบุญก็จะไม่สามารถดึงให้ใจอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพต่อไปได้ แต่บาปก็ไม่สามารถดึงให้ใจตกไปในบายไปนรกได้ช่วงนั้นใจก็จะกลับมารอรับร่างกายอันใหม่เพราะว่ายังมีกิเลสตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้าอยู่นั่นเองก็จะกลับมาเกิดรอบใหม่กลับมาเกิดรอบใหม่ก็จะมีการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็มีการมาทำบุญทำทานตามนิสัยที่เคยได้ทำเอาไว้แล้วก็จะสะสมบุญแล้วก็ไม่ทาบาปบาปก็จะมีน้อยพอตายไปบุญก็ยังมีมากกว่าบาปอยู่บุญก็จะดึงไปสู่สวรรค์ชั้นเทพอีกครั้งหนึ่งก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติสวรรค์ชั้นเทพนี่เราเรียกสุค ต, ติขั้นแรกนสุคติขั้นแรกขั้น ทั้นเทพมีหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทํามากน้อยทํามากก็ได้ชั้นที่สูงขึ้นได้ความสุขมากขึ้นแต่ก็จะเวียนว่ายอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือความสุขยั่งยืนขั้นที่หนึ่งคือความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานและรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอ ถ้าอยากจะขยับขึ้นถูงความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ยาวนานกว่าและมากกว่า <c oughs> ก็ต้องขยับการปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> ก็คือต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้เป็นศีลแปดแล้วก็เอาเวลาที่ม่นได้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้ มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆให้ได้ถ้าสามารถเจริญสตินั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นความสงบนิ่งเมนูเบขาใจก็จะได้ความสุกระดับชั้นพรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุกระดับชั้นเทพและยั่งยืนถาวรกว่า ความสุขระดับชั้นเทพแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ยังเสื่อมหมดได้เพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปใจที่เข้าฌานได้ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกไปจนกว่าฌานจะเสื่อมลงก็จะเลื่อนลงมาเกิดในสวรรค์ กรรมมาเกิดนะอาจจะผ่านสวรรค์ชั้นเทพก่อนแล้วก็ลงมาสู่ภพของมนุษย์ต่อไปพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาฝึกสมาธิมาถือศีลแปดหม่ศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยิบเจ็ดก็ได้ศีลเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนการเข้าสมาธิการเข้าฌานถ้าไม่มีศีลเหล่านี้จะเข้าฌานได้ยาก ผู้ที่อยากจะเข้าฌานได้ง่ายได้สะดวกได้นานมักจะต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแก็เเรียกว่าเนคขมมะศีลเนคขมมะลาเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็เอาเวลาที่ได้มาจากการลาเวนการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ นี่คือสวรรคความสุขที่ยั่งยืนขั้นที่สองความสุขของพรมนี้จะยั่งยืนยาวนานกว่าความสุขของเทพและมีน้ำหนักมีความสุขมากกว่าความสุขของของชั้นเทพแต่ยังไม่ได้เป็นความสุขขั้นสูงสุดยังเสื่อมได้เมื่อเสื่อมก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบำเพ็ญใหม่ มารักษาศีลแปลดใหม่มาเป็นนักบวชใหม่มาฝึกสติมานั่งสมาธิใหม่แล้วเวลาตายไปก็จะกลับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้รับการจัดการ ไม่ได้รับการชำระให้ออกไปจากใจเพียงแต่ถูกอำนาจของฌานกดเอาไว้เท่านั้นเองไม่ให้แสดงอาการแต่ยังไม่ตายพอออกจากฌานมาเมื่อไหร่กิเลสตัณหาก็จะเป็นตัวที่จะผลันให้ใจไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพาพาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์ใหม่ อีกรอบถ้าอยากที่จะไม่กลับมามีมนว่ายตายเกิดเลยก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่ความสุขยั่งยืนขั้นที่สามคือขั้นพระอริยะขั้นพระนิพพานนี่<ม>การที่จะเข้าสู่ความสุขที่ยั่งยืนขั้นพระอริยะขั้นนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติทำเพิ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญา ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจนี้ยังต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสษอยู่เรื่อยๆอก็จะพิจารณาก็จะพบว่าก็คือตัณหาทั้งสามนี่คือการมาตัณหาภาวะตัณหาและมิภาวะตัณหา ถ้าอยากที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายและอยากที่จะให้ใจนิ่งสงบเหมือนกับที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิต้องทำอย่างไรก็ต้องคอยกำจัดปัญหาความอยากทั้งสามในเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิมันมันไม่แสดงตัวเพราะถูกอำนาจของฌานกดเอาไว้ แต่พอมันออกจากสมาธิมาออกจากชายมามันก็จะเริ่มแสดงอาการเหล่า น, นี้ออกมาทันทีกามนมวตันหาภวะตันหามภาวะตันหามิภาวะตันหาในรูปแบบขอ ง, งดดัตันหาินหิันหิดาวัหมวะตันหตันงการที่นะได้ควตามสุาวะตันหาะตันหาวะัามิภาวะตัามิะัิภะนหาะตันหาะตันหาะตันินโสาบตัตันาัน ไล่ขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์พระนิพพานจังเป็นที่จะต้องมีการกำจัดสังโยชนิสิบประการด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่เป็นตัวผูกมัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็ต้องพิจารณาร่างกายเพื่อตัดสังโยชน์ที่ผูกให้ติดอยู่กับร่างกาย mm hmm. ให้พิจารณาเวทนา เวทนากับร่างกายนี้มาคู่กันต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้แล้วก็พิจารณาจิติรั้งหนึ่งนั้นขั้นที่สามจึงจะสามารถละสังโยชน์ได้ทั้งหมดสิบประการด้วยกันพอละสังโยชน์ได้ทั้งสิบประการใจที่เคยถูกกิเลสตัญหาสังโยนหนึ่งให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะ แกนิสละไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสตัณหาอีกต่อไปด้วยอำนาจของปัญญาที่เห็นว่าพบทั้งสามที่กิเลสตัณหาหลอกให้มาเวียนว่ายตายเกิดนี่ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะามันเป็นชั่วของชั่วข่าวเป็นอนิจจังทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถ ยึดเอาไว้เป็นของเราได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการมารพบก็ดีรูปประพบก็ดีอรูปประพบก็ดีได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องส่อไปหมดไปแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิด ใ, ในการมารพบใหม่ <cigar. c oughs> ถ้ายังเสพกามอยู่ก็กลับมาเกิดในการมาพบใหม่ถ้าเลิกเสพกามได้แต่ไปเสพรูปประชานก็กลับมาเกิดในรูปประพบ ถ้าไปเสพอารูปประชาญก็กลับมาเสพเกิดในอรูปภพก็ยังจะติดอยู่ในตายภพตายภพนี้ก็เป็นอนิจจังมันของชั่วคราวไม่มีใครอยู่ได้อย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนถาวรอยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องย้ายออกย้ายกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ลมกมลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถที่จะตัด ดีเลตสังโยชน์ทั้งสิบประการได้ไม่ให้ยึดติดในการมาพบไม่ให้ยึดติดในรูปรพบไม่ให้ยึดติดในอรูปรพบเมื่อละปัญหาความอยากได้แล้วไม่ยึดติดกับการมาพบไม่ยึดติดกับรูปรพบอรูปรพบจิตก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยปรเมงสุขขัง ก็เรียกจิตนี้ว่านิพานนี่นิบานังปรมังสุขังนี่เป็นความสุขที่ยั่งยืนขั้นสูงสุดขั้นระดับขั้นที่สามเป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรคือไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพอได้ความสุขของพา น, นิพานที่เป็นบามังสุขังแล้วก็จะเป็นปรมังสุ ข, ขังอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ นับตั้งแต่วันที่ได้กรรจัดสังโยชน์ทั้งสิบให้หมดสิ้นไปอยากใจซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เ mm hmm. ช่นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตว์ในวันเพ็ญเดือนหวันนั้นพระองค์ทรงละสังโยชน์ทั้งสิบได้แล้วจิตของพระองค์ทรงสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตของพระองค์เป็นนิพพานแล้วโดยที่ไม่ต้องรอให้ตายซะ ก, ก่อนแล้วถึงค่อยเข้านิพพาน คำว่า น, นิพานที่เราใช้กับพระพุทธเจ้ากับพระ น, นี้เป็นคำคาแทนคำตายเรามักจะไม่ใช้คำตายกับคนเวลาใครตายแล้วแต่ยศของเขาตาแหน่งของเขาก็จะใช้คำแทนพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จสวนนเนี่ยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เข้านิพานความจรก็หมายควาว่าร่างกายตายไปแต่จิตนี้จิตก็อยู่นิพานไปน ตลอดตั้งแต่วันที่ได้ละสังโยชนให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วแล้วก็จะอยู่กับบรมมสุขทั้งงที่ยังมีร่างกายอยู่ถึงแม้จะต้องสัมผัสรับรู้กับความทุกข์ของร่างกายแต่ใจก็ไม่รู้สึกกระเทือนใจเพราะอํานาจของรมังสุขขังความสุขของใจของพระนิพพานทำให้ใจนี้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขได้ตลอดเวลา จะเป็นจะตายไม่เป็นประเด็นสำคัญสําหรับใจที่เป็นพันนิพานไปแล้วนี่แหละก็คือความสุขที่ยั่งยืนและที่จะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปอยู่ที่ความสุขทางใจอยู่ที่การสร้างความสุขเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองแล้สู่ขั้นที่สามคือขั้นที่หนึ่งก็สร้างความสุขทางใจ ระดับเทพด้วยการทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอและรักษาศีลห้าให้ได้อย่างเป็นปกติถือศีลเป็นนิจศิลทำบุญทาบุญทำทานเป็นเป็นปกติเป็นกิจิวัตรประจาวันแล้วก็พอได้สวรรค์ชั้นได้ความสุขชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขยับขึ้นสู่ความสุขชั้นที่สองด้วยการฝึกในวันพระเริ่มต้นอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อน คือเปลี่ยนจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วเอาเป็นเป็นเวลาแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขจากการกินการเดิมก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เมื่อเข้าฌานได้แล้วก็จะมีความสุขแล้วก็อยากมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวัน แล้วในที่สุดก็จะปฏิบัติทุกวันบางคนบางคนก็ออกบวชเลยเป็นพระเป็นชีไปเลยแล้วก็จะมาปฏิบัติขั้นที่สามต่อไปคือขั้นของพระอริยบุคคลมาเจริญปัญญาพิจารณาใตรักพิจารณาถภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นการมาพบดูประพบหรืออราูประพบก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ทั้งนั้น มีที่เดียวที่ไม่มีความทุกข์ก็คือที่พนานิพานที่ไม่มีการเวียนว่ า, ายตายเกิดที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีสังโยชน์เพราะได้ถูกกําจัดด้วยปัญญา อ, อันเฉียบแหลมของพระพุทธเจ้านี่แหละคือขั้นสุดท้ายของความสุขทางใจที่ยั่งยืนและเป็นความสุขที่ถาวรไม่ต้องกลับมาเติมอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเหมือนกับความสุขขั้นเทพกับขั้น ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากขั้นเทพและขั้นพมมันก็จะเสื่อมหมดลงได้พอเสื่อมหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดมาทำบุญรักษาศีลใหม่เกิดมารักษาศีลแปะนั่งสมาธิใหม่มีแต่ขั้นที่สามนี้เท่านั้นที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอนี่แหละคือสิ่งที่เจ้าพูดเราควรจะให้ความสำคัญควรจะให้ความสนใจ อย่าไปสนใจกับความสุขทางกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วจะท้าให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกนมาเจิบมาตายอยู่เรื่อยๆมาสร้างความสุขทางใจอจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สามให้ได้เถิดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่กับบรลมะสุขของพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือธรรมะที่อะมาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้และลําดับต่อไปก็จะเป็นการฝึกขัดปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิ<ม>เป็นวิธีหาความสุขจากสวรรค์จากความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานรักษาศีลมาเพิ่มให้เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเนคขมมะและนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ พอเมื่อใจสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางรูปเสียงจิตลดพุทธะแล้วจะทำให้เราสามารถละ ก, กามะตัญหาได้แล้วเราก็จะได้ขยับขึ้นไปสู่ความสุขขั้นสูงสุดต่อไปได้ตามลำดับดัง น, นั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อใช้ใจนิ่งให้สงบไม่ให้ทาอะไร ให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งการที่จะทําให้ใจไม่คิดปรุงแต่งได้นี้จําเป็นจะต้องมีเบรกของใจเบรกของใจก็คือสติต้องมีสติคอยเบรกใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดวิธีที่ทําให้ใจไม่คิดก็ต้องมีสติและเลือกลุ้ยอยู่กับอารมณ์ที่จะกล่องใจให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็มีหลากหลาย ชนิดด้การสี่ชนิดแต่โดยโดยทั่วไปเวลาที่เรานั่งสมาธิกันเรานักจะใช้อานาปานาสติเป็นหลักหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทธานุสติหรืออานาปานาสติคือให้เรามีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมอย่างเดียวเรียกว่าอานาปานาสติหรือถ้าจะให้อยู่กับคาบริกรรมอย่างเดียว ก็เรียกว่าพุทธานุสติหรือถ้าเรายังไม่สามารถดูลมได้หรือบริกรรมพุโทโธได้เพราะใจยังคิดมากอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมานุสติคือให้มีให้ให้ให้ใหสติแล้วเลิกรู้อยู่การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทไหนก็ได้สวดไปเพื่อให้ใจลดความฟุ้งซ่านลดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงไปจนอยู่ในระดับที่สามารถมาบริกรรมพุโทโธได้ หรือดูลมหายใจได้ก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธต่อไปและขณะที่นั่งก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรที่จะมาเข้ามาแทรกอาจจะเป็นเสียงบ้างอาจจะเป็นภาพบ้างอาจจะเป็นความรู้สึกของร่างกายบ้างว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรืออะไรก็ตามถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิเราทิ้งกรรมฐานไม่ได้ต้องมีสติผูกใจไว้ให้อยู่กรรมฐาน ให้รู้อยู่กับกรรมฐานเพียอย่างเดียวถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆที่เข้ามาแม้แต่ความคิดก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวความคิดมันก็จะมาชวนเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าตามคิดกลับมาที่ลมกลับมาที่กรรมฐานถ้าอยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็รวมเป็นสมาธิได้ พ อ, อจิตรวมแล้วจิตก็จะนิ่งเฉยสบายตอนนั้นไม่แทบจะไม่ต้องทําอะไรมันไม่ดิ้นแล้วมันไม่คิดอะไรแล้วมันทําให้ใจเรามีความสุขความเบาความเย็นความสบายก็รักษาความเย็นความสบายด้วยการอย่าไปดึงจิตออกมาคิดถ้าจิตมันไม่คิดแล้วอย่าไปดึงมันออกมาคิดปล่อยมันอยู่เฉยๆไปของมันไปเรื่อยๆจนกว่ากําลังของสมาธิอ่อนลงเมื่อไหร่ความคิดมันก็จะผล่ขึ้นมา ถ้าอยากจะนั่งต่ออยากจะเข้าสมาธิต่อก็ทำแบบเดิมต่อไปดูนมต่อไปหรือบริกรรมพุทโธต่อไปถ้ามีจิตหรือมีอะไรที่อยาลุกขึ้นมาทำก็ลุกขึ้นมาทำเวลาลุกขึ้นมาก็ให้มีสติคอยจดจอ่อคอยควบคุมอย่าให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ <S <S <S นี่คือวิธีการนั่งสมาธิ นั่งเพื่อความสงบเพื่อความว่างไม่ต้องการให้เห็นอะไรไม่ต้องการให้เห็นนรกไม่ต้องการให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องกาเห็นการเกิดดับอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใจเห็นก็ไม่ต้องสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบก่อนเมื่อเรามีสมาธิแล้วต่อไปเราค่อยมาพิจารณาการเกิดดับของสิ่งต่างๆต่อไปได้แต่ตอนนั่งสมาธินี้ไม่ให้พิจารณาอะไร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 เพื่อข่าวหน้าเวลามานั่งใหม่จะได้ใช้วิธีเดิมได้อยากมานั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากแต่มันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่เราได้นั่งในวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยพยายามสร้างสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งเราสามารถสร้างสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลื่ตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเลย เดี๋อคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจคิด เ, เล่นไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติมากขึ้นจะนั่งได้สงบได้เร็วขึ้นหน้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวเรวะหา ป, ะปูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะโยตินังเปตานังอุปการปฏี เอขิตางปัิตังตุหังคิป้าเมวาสุเมจโตสะเพบุเรนตุสังกาปาจันโทปนาราโสยธามะนิโชติราโสยธาสัพิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสสตุ มาเตภวตวันตาโยสุขิทีขายุโกผวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันูสุขังภาลัง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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b o o สอง4้อยสิบสี่ท่าน u t u b e พระสุชาติสอง้อยเก้าสิบหกท่าน YouTube ดรวสี่สิบท่านวิทยออนไลน์หกท่านคลับเฮาสเจ็ดท่นนานนาคุติสองร้ยี่สิสามท่านรวมทั้งหมดแ1ด้อยสิบหกท่านครับอาจารย์ อ, อ่พูดในนีน้พูดได้เลยจ้าหนูพูดดังๆหนูมีคำถามว่า หนูมักจะโกรธง่ายหรือว่าหนูก็จะคิดวนอยู่แต่เรื่องเดิมออย่างนั้นหนูจะไม่ยอมปล่อยถ้าเกิดหนูคิดไม่ได้แล้วจะทำยังไงให้ปล่อยอะคะ่ะคิดถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเวลาโกรธเม่คิดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจสักสามสี่นาทีก็หายเกินต้องท่องไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายถ้ายังไม่หายอย่าเพิ่งหยุดเหมือนกินยาแก้ปวด ถ้ายังไม่หายปวดก็กินไปเรื่อยๆพอหายปวดแล้วเราก็หยุดกินพุทโธนี่เป็นเหมือนยาแก้กโกรธเวลากโกรธครขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธเลาความโกรธก็จะหายไปค่ะ ข, ขอบคุณค่ะถ้าอยากจะไม่ให้เกิดความโกรธเลยมุ่กจะทํำยังไงทํายังไงคะอย่าจูจ้จีจ้จุกจิก <c oughs> ยินดีตามมีตามเกิดแม่ให้อะไรมาก็ข้าขอบคุณข้าจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเราจะไม่โกรธใครน <c oughs> ะโอเค <c oughs> มีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีแล้วแค่นี้แค่นี้ก่อนนะผ <c oughs> อาถ่ายท่งพุโทโธไว้ก่อนนะ <c oughs> ถ้าไม่ทัองเวลาโกรธมันจำไม่ได้นะพยายามผ่านท่องพุโทโธเรื่อยเืย ซามไปก่อนเหมือนซ้อมฟุตบอลเนี่ยต้องซ้อมเตะเรื่อยๆพอถึงเวลาลงสนามเราก็ย้ห้เตะฟุตบอลได้วเวลาโกรธขึ้นมา่ได้พุดโธพุโทพโธพทโเดี๋ยวเดียวไม่นานก็หายโกรธนะค่ะ ข, <Okay. S 2> ขอบคุณนะค่ะฮัลโหลเด็โก่อนอนะเอ็ม For uh, someone who is not coming from a Buddhist country and hasn't really come across uh, Dharma teachings and Buddha teachings, how would you explain what we do here? Explain here what we do today. It's just a activity called studying the Dharma teaching. I'm the teacher and you're the student. I tell you what the Buddha taught us to do. Like today I can summarize our talk into one sentence: How to find the right kind of happiness, the lasting happiness, and this by practicing dana, morality, uh, sila, morality, and meditation. Then y o u get, y o u find, you'll get the right, the lasting happiness, because it's the happiness within your mind. It goes with your mind. Wherever your mind goes. It doesn't depend on the body, so we, even if the body die, you you can still have this happiness with you. Okay. okay. Thank you. And then we practice meditation. We sit for 23 minutes. So this is what we do every Saturday, Sunday, and holiday Buddhist holiday. Okay. Okay. Actually, you can. Hmm. use Google Translate to translate my talk today. You can use Google Translate an application by Google which will translate the the talk in in my language into your language. Then you can read the the text of what I said. Okay. Anything else? มีคำถาม่ต่อมีคำถามจากทางหน้ากุตินะคะ จากทำที่หลวงพ่อได้เทศนาน n สองปีที่ผ่านมาโยมพยายามตั้งใจให้ได้สุขในแบบที่สขออภัยนะคะตั้งใจเพื่อให้ได้สุขในแบบที่สามมาปรากฏว่าวิบากกรรมหลายอย่างเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดทุกข์อยากทราบว่าความพยายามที่เราทําทําให้วิบากกรรมต่างๆวิ่งเข้ามาหาเราจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอวิบากมันก็มาตามเหตุตามปัจจัยของมัน เมื่อถึงเวลามันจะแสดงผลมันก็แสดงผลเห็นอยากระมาทตอนนี้ถ้าไม่มีวิบะวิบากอะไรก็รีบทำเสียก่อนเพราะเดี๋ยวถึงเวลาวิบากมันม า, าอาจจะทำไม่ได้และทำได้ยากขึ้นจากทางนักกุติค่ะในขณะที่เราเจ็บป่วยไม่สบายมาเกิดภาวะจิตตกเศร้าหมองกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะเพราะเราไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนคุณเจ้าสอนให้เราเตรียมตัวไว้ก่อน ให้เตือนใจเรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเมื่อเรารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเราก็เตรียมยาไว้ยาก็คือความสงบพยายามฝึกสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ทําใจให้สงบแล้วใจเราก็จะไม่ไม่ตกต่ำํำใจเราจะเบิกบานผ่องใสมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกาย จ่คุณพิมระวีนะคะขอโอกาสเจ้าค่ะขออุบายแก้ทุกข์ที่ใจในประจำวันให้มันดับเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้จิตเป็นกลางได้มากที่สุดทั้งวนันโดยไม่เอียงไปทั้งสองฝั่งค่ะไม่คิดไงต้องมีสติรู้อยู่เฉยๆถักแต่ว่ารู้ใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยแต่ทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้มีอุเบกขามากๆ ถ้ามีเบรคขาแล้วใจก็จะเฉยได้ใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยใครยเอาเงินมาให้ก็เฉยใครยเอาเงินไปก็เฉยพราะถ่อวไม่ใช่เป็นของเราได้มาก็ไม่ใช่เป็นของเราเสียไปก็ไม่ใช่ของเราเสีย <c oughs> จากทางยูทู e นะคะ กลับนมัสการหลวงพ่อครับการรักษาสินข้อ3ในสินห้ามีอะไรบ้างครับนอกจากไม่ผิดรูปเมียแล้วสมมุติว่าเดินผ่านผู้หญิงสวยแล้วเราหันมองหรือความคิดถึงสุขในการมาราคะาหรือการดูภาโปกเปื่อยแบบนี้ถือว่าผิดสินไหมครับยังไม่ผิดนะกำลังใกล้ละ <laughs> <laughs> ต้องมีการกระทำต้องมีการร่วมเพศกันถึงจะถือว่าผิดสิน แต่ถ้าไปทาอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็มันก็มันก็น ก, น ก, ก้าวต่อไปได้อย่างง่ายได้ให้พยายามสารวมตาไว้อย่าไปมองอ ใ, ให้นึกถึงอสุภาพบ่อยๆให้ถึงคิดถึงสร้างศพบ้างคนที่เรามองนี้ต่อไปก็ต้องเป็นสร้างศพเวลาเขาเป็นสร้างศพแล้วยังอยากจะไปร่วมเพศกับเขาหรือเปล่า จากทาง Youtube ค่ะกลับนามัส ก, การท่านพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์เมตตาสอนและขยายความเรื่องการแยกกายกับใจอีกครั้งครับเพราะกา ร, กรเพราะกระหผมเฝ้าระวังสติกับก้อนทาดินน้ำลมไฟปฏิกูลก้อนอสุภะนี้แต่ว่ายังเผลอสติไปยึดมั่นอยู่ครับเราต้องแยกด้วยสมาธิก่อนนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบใจใแยกออกจากร่างกาย และพอออกจากสมาธิมาพอใจกับร่างกายกลับมาคู่กันก็คอยสอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นคนรับใช้เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปหวาดกลัวอะไรกับร่างกายดูแลมันไปตามอัตภาพจากคุณทีขาตนานะคะจากเฟ e บุ๊กนะคะ น้อกราบพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง25ปีโดยไม่มีวันหยุดม า, มากมาตลอดแต่หลงัลงๆมามีปัญหาสุขภาพนั่งได้น้อยลงแต่ไม่เคยหยุดสักวันแม้ป่วยก็นอนทำการปฏิบัติโดยไม่หยุดถึงแม้มากน้อยไม่เท่ากันแบบนี้จะมีโอกาสถึงทำขั้นแรกพระโสดาบันได้ไหมคะกราบขอความเมตตาคะ่ะทํำมั น, นได้มันได้ตั้งแต่ก่อนเจดปีแล้วทูลเจ้าบอกว่า ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไั่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติน้อยไม่พอมีสองอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาอาจติปฏิบัติผิดผิดไม่รู้จักการเจริญสติว่าทาอย่างไรนั่งสมาธิจิตเลยไม่เคยรวมสักครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้แสดงว่ายังไปไม่ถึงไหนถึงแม้จะทํามายี่สิบห้าปีก็ตามก็ยังไปไม่ถึงไหนยังไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จากคุณโรธนันนะคะนมส ก, การพระอาจารย์เวลาเราอยู่เบกขาใจเราจิตเราจะไม่รู้สึกเบิกบานใช่ไหมครับหรือรู้สึกเบิกบานได้ครับร๋อเบอิกบานเลาจิตมีอยเบกขานี่ใจเบิกบานสบายใจสบายอกสบายใจไม่แบกอะไรถ้าไม่เบิกบานสแสดงว่าไม่ใช่เป็นอุเบกขาจากท่านต่อไปนะคะ คนเรามีกรรมทุกคนใช่ไหมคะก็เวลาเราพูดก็เป็นกรรมนะเวลาเราเดินก็เป็นกรรมนะเวลาด่าด่าคนั้นชมคนนี้ก็เป็นกรรมนะจากทางอินบ็อกซ์นะคะออขออนุญาตถามคำถามค่ะคือถ้าแถวบ้านโยมไม่มีพระมาบินทบาตโยจึงใช้วิธีโอนปัจจัยก็คือเงินส่งให้วัดต่างๆเป็นประจาจะได้บุญเท่ากับการใส่บาทไหมคะเท่ากันค่ะ จากทางช่องด r ตรวีนะคะกลับนมศสการหากเราได้ยินคำดา่าจึงใช้การท่องในใจว่าขี้หมาขี้หมาขี้หมาลอยมาตามแม่น้ำและจิตไม่ไปสนใจคำพูดของคนอื่นได้ไหมคะหรือควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ได้ถ้ามันทำให้ใจเราเลี่ยงไม่เกิดได้ก็ใช้ได้จากท่านต่อไปคะ่ะ การเปลียนถามครับเป็นคารวะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับถ้ามีมรรคก็บรู้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชต้องมีมรรคแปดและมีศีลสมาธิปัญญาจากคุณทิติชยานะคะของดีทางใจมาใช้ทางกายตอนร่างกายมีปัญหาได้จริงคะ่ะต้องลุยปฏิบัติจริงๆเจ้าค่ะเอามาใช้ได้จริงตอนทุกข์กับร่างกายและทุกข์กับใจถูกไหมคะ แช่ถ้ามีความสุขทางใจแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นของจิบจ้อยไปเพราะใจมีความสุขกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าจากท่านต่อไปค่ะการไปช่วยงานศพนี้เป็นบุญไหมครับเป็นเป็นเหมือนจิตอาสาไงเราไปทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้โดยที่เราไม่เรียกผลตอบแทนสิ่งตอบแทน ตอนนี้ยังไม่มีค่ะใช่ค่ะเชิญเข้ามาขาประจํารอช่องวาง่างเก่านามาสการพระอาจารย์ค่ะอขออนุญาตนะคะมีคําถามระหว่างการ เ, เรียนปริยัติกับปฏิบัติอันไหนสําคัญกว่ากันคะสําสคัญทั้งสองอันอก่อนจะปฏิบัติก็ต้องเรียนก่อน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบเก้าปริญญเก้าอะไรทำนองนี้เรียนเฉพาะทางเรียนเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะรู้สิ่งที่เราจะทําเช่นจะรักษาศีลก็เรียนเรื่องศีลไปก็พอศีลมีกี่ข้ออเราต้องรักษาอย่างไรนั่งสมาธินั่งอย่างไรเรียนเฉพาะทางไม่ต้องไปเรียนทั้งหลักสูตรทั้งพระไตรปิฎกไม่จําเป็นเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแต่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนจะไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้าง ศีลมีอะไรบ้างศีลห้ามีอะไรบ้างสิลแปดมีอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้เราก็ต้องเรียนให้รู้เราจะได้รักษามันให้ได้แล้วทำบุญทําทานมีอย่างไรบ้างถึงเรียกวาบุญทําทานไาถ่บาตรถอยเงินให้วัดโรงพยาบาลโรงเรียนให้พ่อให้แม่่ีก็เรียกเป็นการทําบุญทําทานค่ะแ ล, แล้วทําไมเวลาที่เราเมาศึกษาค่ะที่ที่เป็นเหมือนปริยัติที่แบบว่าเหมือนมีการแยกรูปแยกนาม เรื่องของสมาธิที่ต้องมีการแยกรูปแยกนามก็เป็นหลักสูตรของเทองแล้วก็อย่าไปเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนเฉพาะทางเหรอที่นี่มีแต่รู้เฉพาะทางเปล่าถ้าจะเรียนเฉพาะทางมาที่นี่มาถามเลยเหมนตอนนี้พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าโยมเห็นมันมีหลักสูตรอะไรก็ไม่รู้ในพระพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นไงไม่จําเป็นต้องรู้รู้เท่าที่จําเป็นจะต้องรู้เหมือนเราทำกับข้าวเนี่ย เราต้องรู้วิธีทํากับข้าวก็พออเจ้ไม่ต้องรู้ว่าต้นไม้นี่มาจากไหนผักมาจากที่ไหนก็ต้องสงสัยต้นนี้ต้นไม้นี้มาจากไหนเป็นยังไงเจ้าคะ่ะสงสัยหมดค่ะอไม่ต้องสงสัยให้รู้จักวิธีทำกับข้าวก็พออ๋อเจ้าค่ะค่ะเจ้าแค่นี้ก็เจ้าค่ะแต่ต้องเรียนนะถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องเรียนถ้ารู้ศีลมีอะไรบ้างก็รักษาไปถ้ารู้วิธีเดินโยงกบก็เดินไปนั่งสมาธิไป ถ้ารู้เรื่องปัญญาก็ไม่ต้องเรียนถ้าไม่รู้ก็มาเรียนปัญญาก็เรื่องอริยสัจ ส, สีตายรักแค่นี้ง่ายๆทําทให้มันยากเองพระอาจารย์พูดงาด่างเสียวลงไปบางสำนักอ่าพระพุทเจ้าบอกพระพุทเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนก็เลยไม่ง่ายพระพุทเจ้า ก, ก็ยังว่า ง, ง่ายเลย <S 1> <S 1> ใช่ไหม<ช>อ่พวกเราไปทําให้มันยากเองกิเลสมันหลอกลเราไงหน่หงทางโอเคมีอะไรไหม โอเคไว้มาถามใหม่เก็บไว้คราหน้าครับต่อมีจากทางเฟซบุ๊กนะคะถามว่าถือสินขถือสินแปดใช้ครีมอาบน้ำได้ไหมคะถ้าใช้เพื่อรักษาร่างกายได้อยู่ถ้าใช้เพื่อความสวยงามนี้ไม่ไม่ได้ จากทางยูทูปพระอาจารย์นะคะจากการได้ฟังสูงเมื่อวานที่มีิยมสนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ระวังกิเลสแต่พอแต่พอพระแต่พระอาจารย์บอกว่าการมีฤทธิก์ก็เป็นก็เป็นกิเลสมันเป็นกิเลสอย่างไรคะก็ไปใช้ในทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหางินเงี้ยเป็นหมอดูเงี้เยเห็นว่าของเ ข, ของเขาหายไว้ที่ไหนก็บอกเขาวงี้แล้วเขาก็ให้เงินมา เนี้ก็เป็นกิเลสถ้าจะทําทให้เป็นกิเลสก็ต้องไม่รับเงินไม่เรียกค่าตอบแทนเป็นการทําทานเป็นการช่วยเหลือเขาไปแต่ก็จะทําทให้เราเสียเวลาไปปฏิบัติทางปัญญามันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้ยั้นถ้ามีฤทิ์อย่าไปสนใจมันดีกว่ามันมีแต่เสียไม่มีไม่มีได้อะไรประโยชน์กับตัวเองไม่มีประโยชน์กับคนอื่นได้อยู่ถ้าเราไปใช้ช่วยเหลือเขาได้แต่ถ้าเรายังไม่หลุดเรามา หลุดทำตัวเราให้หลุดก่อนด้วยกมาเจริญขั้นปัญญาต่อไปเมื่อกาเราจะหลุดแล้วทีนี้เราจะใช้ฤทธิ์แบบพระพุทธเจ้ามาช่วยคนอื่นได้พระพเจ้าใช้ฤทธิ์ไปติดต่อกับพระพุทธมารดาในสวรรค์ไปแสดงปวดอยู่สามเดือนด้วยกันจนพระพุทธมารดาบรรลุเป็นพระโสดาบันยังต้องมีอิทธิฤทธิ์ถึงจะสอนแม่ได้เพราะแม่เป็นเทวดาถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์ก็ไม่สามารถติดต่อกับเทวดาได้แต่ตอนที่บําเพ็ญถ้าไม่ไม่ติดต่อใครเลย ถ้าเอาแต่กิจสู้กิเลสอย่างเดียวดับความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นพอดับความทุกข์ได้หมดแล้วกิเลสหมดแล้วทีนี้ก็รายงานดูว่าจะช่วยใครก่อนก็คิดถึงปัญจวัคคียก่อนก็ไปสแสดงทำปวดปัญจวัคคียก่อนถ้าต่อไปก็รายงานว่าใครต่อชุดไหนต่อไปเด่งไปเรื่อยๆจนมาถึงมันดาถึงเวลาก็คิดถึงมันดาก็ไปโปญญวดมันดาแล้วต่อไปก็ไปกลับไปในวางไปปวด ญ, ญาติพี่น้องบิดา ญาติพี่น้องฟังทำแล้วก็ประทับใจขอติดตามออกบวชกันเยอะอั น, นี้จากคุณทีคัาานานะคะ จากคำถามข้อแรกเมื่อกี้อยากรายงานการปฏิบัติเพิ่มเติมว่าสิ่งที่โยมได้ปฏิบัติมา25ปีถึงแม้ยังไม่ไปถึงไหนแต่ชีวิตประจำวันมีความทุกข์น้อยลงปล่อยวางมากขึ้นชีวิตสงบร่มเย็นง่ายขึ้นไม่มีความโกรธมากทุกอย่างเบาบางไปมากมีความสุขมากขึ้นแบบนี้ยังปฏิบัติถูกทางไหมคะถูกทางแต่ยังอาจจะไม่ได้เต็มร้อย้าสอบก็ยังไม่ผ่าน ยังได้สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่น้อยให้ห้าสิบขึ้นไปอันนี้ไม่มหมนแล้วใช่ค่ะโอเคหมดแล้วกราวท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านตรงน้ำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ